ถ้าเราเห็นสิ่งอื่นดีแต่ธรรมะมันก็จะเสียเวลาไปกับสิ่งองื่นเราต้องไปย่งกับสิ่งองื่นถ้าเราเห็นว่าธรรมะนี่ดีกว่าเมื่อเราต้องถึงเวลาจะต้องเลือกเราก็ต้องเอาธรรมะก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกระหว่างมารคกับพระกับเป็นภาษาสดาท่านเลือกเอาภาษาสดาท่านเลือกเป็นพระพุทธเจ้าถ้าทัางเลือกเป็นจักรพรรดิอยู่กับในวังท่านก็เลือกเป็นจกักรพรรด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 วันแรงดูประทบอดูบขามาพบพรเราอยัางเย็กมัอยู่ยังอยู่แถวๆนี้แต่วๆตูชยัยสมองแล้วคูย <c oughs> ังไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดหาทางออกไม่ได้วันอยู่แบบนีเียพยายามให้น้ำหนักการธรรมม า, มากกว่าอย่นางอ่ทางที่ทรงการสอนว่าให้สละชีวิต เรักษาธรรมะไม่แต่ชีวิตท่านยังบอกว่าไม่สําคัญเท่าธรรมะชีวิตนี่เรามันมันเหมือนหัวโขนอะ่ะหมดหมดอันนี้เราก็ได้อันใหมได้อยู่เรื่อยๆแต่ธรรมะนี่มันได้ยากกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะค่อยค้าหามาได้ง่ายเหมืนกับชีวิตชีวิตนี่มันเกิดได้อยู่เรื่อยๆตายไปมันก็เกิดอะตายแล้วมันก็เกิดอ่ะ ไม่ต้องไปเสีได้ชีวิตแต่ธรรมะมันมันได้ยากไม่มีธรรมะชีวิตก็ไม่มีความสุขชีวิตก็มีแต่ความทุกข์มีความวิวาจถ้ามีธรรมะแล้วชีวิตก็มีความสุขเหตุของความสุขก็คือธรรมะเ่ตนของความทุกข์ก็คือการขาดธรรมะดังนั้นเราจึงควรห้ามความสําคัญกับธรรมะ มากไปอย่างอเมือ่อเราถึงเวลาจะต้องเองลือกเวลาทำนะครับกบลับอะไรก็ตามเราต้องเรือกเอาทำนะก่อนท่านเรียงลดับไว้แล้วว่าสิ่งที่ควรจะสละสิ่งแรกก็คือสมบัติเข้าของเองินฐานทรัพย์สินลอนลงมาก็อวัยวะตาหูแขนขานอนลงมาก็ชีวิต ลราก็มาถึงธรรมะเป็นเป็นอย่างสุดท้ายเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาสงวนไว้เป็นสิ่งสุดท้ายให้สำหรับทราบจะรักษาอาวัยวะจะอวัยวะจะรักษาชีวิตให้สำหับชีวิตจะรักษาธรรมธรรมก็อย่างที่พวกเราทำอย่างนี้แหละทานศีลธรรมนานะเดี๋ยวว่าธรรม เวลาเราทำาีได้ทานเราก็ถลัสทรัพย์ไปเราก็ได้ทำเวลารารักษาศีลเราไม่พูดปลุกเราไม่หวังล่ำรวยจากการทำาหากินที่ทุกข์เจริญเราก็เราก็เสียทรัพไปส่วนหนึ่งเสียประโยชน์ไปส่วนหนึ่งแต่เราได้ศิลมาทำเราไม่เอาเวลาไปเที่ยวทานแต่ละท่ต่างการเราหาที่ ท, ที่เรื่อกสงบสงบทำจิตใจให้สงบเราก็ได้ ทรรมะหรืสมาธิความสงบใจถ้าเจริญปัญญาเราก็ได้ปัญญาได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆมันมีคุณค่าใช่ไหมสำหรับพิจารณาด้มันมีคุณค่าม า, า, มมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปความาเสียสละก็คือให้ทละประโยชน์สุขส่วน ย, ย่อยเพื่อประโยชน์สุดที่ใหญ่กว่าที่ยิ่งกว่าทรัพนี่มัน ใ, นในสายตาของ คนที่มีความหลงพวกเรานี้แต่ว่ามันมีคุณค่ามากแต่ในสายตาของนักบากเช่นพระพุท ธ, ธเจ้าท่านจาได้มันไม่มีคุณค่าแล้วถ้ถึงสละลาชสมบลั่งออกเหมดได้ลาสับมันไม่ได้ทําให้จิตใจหลุดพ้นได้แต่รานนนบนี่เป็นเหมือนกับบ่วงเป็นเหมือนกับตะขอที่จะเกี่ยวให้จิตนั้นยังต้องวนเวียนไหวในภพในชาติต่างๆ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 เพงให้ทานเนี่ยเราก็ได้ผลแต่เราไม่รู้ว่าเราไปเริงผลผิดที่เราไม่ได้เรินผลที่ใจเราเราเป็นเริงผลที่คน ร, รักคนที่เราไปทําดินด้วยอย่างนี้ก็มีถ้าเราเรินผลที่ใจแล้วไม่ว่าคนคนที่รับนี้จะเป็นใครไม่สําคัญสำคัญที่ความบริสุทธิ์ใจของเราความเมตตากรุณาของเราความเสียสระของเราที่จะ ช่วยคนนั้นให้เขาได้รับประโยชน์จากการผีสัว์ของเราโดยไม่สาคัญไม่คิดว่าสําคัญว่าจะต้องเป็นเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์เป็นอะไรแต่ถ้าเขาอยู่ในสภาพที่กขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาได้แล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรจากการช่วยเหลือนั้นเด็ดอย่างนั้นแหละมันมันจะปรากฏเป็นผลขึ้นมาในใจเรา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 ทุกของผู้อื่นเราอยากจะช่วยบรรเทาทุกของเขาให้บบาบางลงไปหรือช่วยเสริมให้เขาได้ทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือของของของขอ ง, ของประเทศชาติเราทำไปแล้วเราก็มีความสุขแล้ว แต่เรามักจไม่เข้าใจถึงผลของของการาทำว่ามันปรากฏขึ้นแล้วในใจงเราเพราะใจของเรานะั้นมันจะมีกิเลสมามามาปิดบงังเพราะกิเลสยังอยากจะได้ผลตอบแทนอย่างน้อ ย, ก, อย ก, ก็อยากจะให้เขารู้ว่าเราได้ทำได้ประกาศชื่อเราอะไรก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมา นั่นแะมันเป็นกิเลสแะมันไม่ได้เป็นธรรมะเป็นความสุขแบบกิเลสที่ไม่มีน้ำหนักเหมือนกับความสุขแบบธรรมะความสุขแบบธรรมะนี่มันมีความหนักแน่นเหมือนกับว่ารับรับประทานอาหารหนักส่วนส่วนความสุขของกิเลสมันเบาเหมือนกับกิ็นถนนรับประทานของเบารับประทานได้เดี๋ยวเดียวมันก็หายแล้วมันความหยิบก็หายไปามหยิบก็ อยากจะได้อยากจะกินอื่นต่ตามสึกความอื่นของทางธรรมนัม้นอื่น้วมันไม่อยากจะไดะไ้มันมีความสบายใจมีความสุขใจทุกครั้งที่ได้ชุดถึงการกระทที่เสียสละแล้วมันก็มีความสบายใจมีความสุขใจเสมอเพราะนั้นการทำอะไรขอให้เราดูใจของเราเป็นหลัผลนั้นเกิดขึ้น ท, ทันทีส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นทันทีในใจของเรา แล้วมันก็ส่งผลให้ไปอยู่ในอนาคตในภพชาติต่างได้คือปฏิบัติไปแนละ้วจเรามีความสุขกิเลสเราเบาบางลงไปทุกเราเบาบางเบาบางลงไปภพชาติมันก็เบาบางลงไปภพชาติที่เหลืออยู่ก็เป็นภพชาติที่ดีเป็นสุขติเป็นส่วนใหญ่เพราะเราทําแต่เหตุที่ดีไว แต่นี่มันมนี่มันเป็นผลทลอยได้มากกว่าผลที่ตามมาต่อไปกต่ผมในปัจจุบันก็คือใจนี้จะมีความสงบขึ้นมากขึ้นมีความเย็นสบายมากขึ้นมีความเบมีความพอใจไม่หิวไม่อยากไม่กระหายกับเรื่องราบยศสารสังกษ์ ใครจะสลรเสินยกย่องหรือไม่ก็ไม่สำคัญใครจะตังหิติเตียนดูดาว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่สนใจเตียนไม่ใช่ไม่สนใจไม่สำคัญแต่ฟังรับฟังเสนอไม่ว่าใครจะสาเสินหรือจะยินธารตัณหิติเตียนฟังเพื่อก่อฟังไม่ได้ฟังเพื่อเพื่อให้เกิดอารมณ์ ความดีใจหรือความไม่พอใจฟังาหาเหตุหาผลเือสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นประโยชน์กับเราเพราะบางทีเรามองไม่เห็นโทษของเราบางทีต้ อ, อาศัยคนที่คนอื่นที่ก็มีอำนาะสูงกว่าเราช่วยชีย้บอกเรา mm hmm. เช่นเราเข้าหาครูบาอาจารย์ท่านก็นจะชี้บอกโทษของเราเป็นส่วนใหญ่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 ลบย่องจำมะเสิ่งไปเตรียมรับคําดูด่าวไว้ถ้าวัานั้นไม่ได่าวนี่แสดงว่าท่านไม่ปดวดด่าวท่าไม่เมตตาถ้าวัานไหนท่านด่าเนี่โอ้อยวนไหนท่านจะคิดถึงเราเป็นห่วงเป็นใยเรายเหมือนกับพ่อแม่ที่คอยสอนลูกก็ห่วงใยญใช่ไหมอยากจะให้ลูกได้ดีได้ดีเห็นเรื่องทำประพฤติตนเองไม่เหมาะสมต่างๆ ก็คอยดูดยาว่ากล่าวตักเตือนแต่ลูกมันก็มีกิเลสพอโดูว่ากล่าวตักเตือนหน่อยแทนที่จะฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังเพื่อมากอเกาอก็กลับฟังแล้วเพื่อทำลายเกิดอารมณ์โกรธเรียดแฉ่คุณพ่อคุณ น, น้าขึ้นมาบางทีก็โตเถียงกันอย่างรุนแรงบางทีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แ้นก็ ถ้าการได้ยินได้ฟังได้ทำมาแนละ้วมันจะได้มีหลักแต่เวลาใคารพูดอะไรเพราะว่าอะไรเราจะได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลจริงจรงิเราไม่ได้ฟังด้วยอารมณ์อย่าไปหวังอย่าไปต้องการทำสรรเสริญมันเป็นเหมือนขนมหวานขนมหวานนี่กินมากๆเดี๋ยวก็โรคต่างๆก็กินเบาหวานเบาหวานก็กินกินยาขมดีกว่ากินของขมขมนี่มันเป็นเหมือนยา เห็นแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงฟงการว่ากล่าวตักเตือนน้ำมันด้าวเตือะเหมือนกับเหมือนกับผ้าประจกมาส่องหน้าให้เราเห็นหน้าของเราว่าเป็นอย่างไรมีตําหนิตรงไหนมันเปื้อนตรงไหนผมหวีเรียบร้อยหรือยังแปรงฟันเอาน้นหน้าลางตาสะอาดหรือยังถ้าไม่มีด้านไม่มีกระจกให้ดูบางทีก็ไม่รู้ คนที่เขาบอกความผิดของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกระจกสาหน้าเราการจึงสอนว่าให้ <ไป S 1> ให้ใ ห, ให้ดีใจพราะเหมือนกับว่าเป็นการชี้กลุมทรัพย์ให้ตับเราทงี่ความผิดของเราเนี่ก็เท่ากับชี้กลุมทรัพย์ให้เราแล้ววันนี้เราขุดลงไปเถอดตรงนี้เราจะได้ทรัพย์มันดีมันวิเศษขึ้นมายึดสายนี้ไม่ดีดิฉนักเสียโลกโมโธสังอยางเงี้ยดิฉนักเสีย อย่าเป็นคงเจ้าอารมณ์แตให้เป็นคนมีเหตุมีผลให้มีสติคอยควบคุมใจไว้อย่าปล่อยให้มันดีใจเพราะถ้ามันดีใจก็เดี๋ยวมันต้องเสียใจความดีใจก็เป็นทางหนึ่งอย่างหนึง่งเช่นเวลาคนสำเร็จแล้วดีใจเีพอคนไม่สำเร็จก็จะเสียใจหรือจะจะจนเดือด เดือดร้อนใจขึ้ยนั้นถ้าเขาดุด่าว่ากล่าวเราถ้ามีเหตุมีผลนแ้มีสติน้าใจมันจะตั้งอยู่ในอุนเบิงขามันจะไม่มีอารมณ์อะไรมันจะรับรู้จักการรู้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาถ้าเสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเสิ่งที่ถูกต้องก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ตาดี ถึงแม้จะเป็นการตำหนิมันก็ตำหนิด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงหรือเวลาก็สนับสนินเข้าก็สนับสนินด้วยความจริงเหมือนกันแต่คนที่พูดไม่ตรงกับความจริงถึงแม้จะสนัสนินเย็นเยอก็รู้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นการโกหกเราเป็นการหลอกให้เราดีใจหรือถ้าเขาพูดในสิ่งที่ ตำหนิเนาในสิ่งที่มันไม่จริงก็แสดงว่าเขาตาไม่ดีหรือเขามีอารมณ์ไม่ดีชอบจะจะตำหนิผู้อื่นชอบที่จะทำให้ผู้อื่นเขาเสีย อ, อกเสียใจเสียเนื้อร้อนใจแต่ทำได้กับเฉพาะคนที่ยังติดอยู่กับคำคำ ส, คำ ส, คำ ส, สารสนินฐาน คนที่ไม่จิดอยู่กับการสัมมัสเสนานิมิทาจะไม่ถึงจะไม่ถึงกระทบทั้งสองอย่างไม่ว่าจะสัมมัสเสนาะนิมิท า, านก็เท่าเดิมเราก็เท่าเดิมเรามีร้อยมันก็มีอยู่ร้อยนั่นีหลเขาก็ไม่สามารถที่จะหักร้อยของเราให้เหลือเก้าสิบห้าได้นีเพิ่มไม่เป็นร้อยห้าสิเราจากคำพูดของเขาเพราะเราจะมีเพิ่มมากขึ้นไม่มีน้อยลงมันไม่ไดีที่การกระทำของผู้อื่น มันอยู่ที่การกระทําของเราเราทําดีมากขึ้นเราก็ได้มากเกินน้อยขึ้นแต่เราทําดีน้อยลงมันก็ลดลงแ ม, มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่การกระทาของเราคือแต่ว่าเราต้องอาศัยผู้ที่ทขาฉลาดกว่าเราเขาเห็นว่าเรายัางทําไม่ถูกเราทาไม่ดีพอเขาก็จะช่วยบอกทางให้กับเราการที่จะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์ เราทําเองของเราเราก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ไปแล้วมันก็จะหยุดตรงนั้นเพราะเราคิดว่าเราดีพอแล้วแต่ครูบาจารย์ท่านดีกว่าถ้ารู้ว่ามันยังดีไม่พอบางที่มีคำพูดว่าคนคนที่เห็นว่าตนเองนั้นยังยังยั ง, งโง่อยู่ยันหละเป็นคนฉลาดจะเป็นคนที่ฉลาดได้ แต่คนที่คิดว่าตนเองนั้นฉลาดแล้วคนนั้นแหละคือคนโง่ทพามื่อคิดว่าฉลาดแล้วก็ไม่คิดที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมความฉลาดเพิ่มเติก็จะก็จะโง่ไปเรื่อยๆคนที่คิดว่าตนเอ ง, งอยังโง่อยู่ยังต้องเข้าหาผู้รู้อยู่ต้องอาสัยผู้อื่นคอยชี้บอกอยู่นี่คนนี้ก็มีโอกาสที่จะฉลาดแล้ว แต่มันก็จะมีถึงจุดหนึ่งที่มันจะรุ่นแกใ่ใจของตัวเองว่าตัวเองฉลาพอตัวแล้วคือถ้าดักสิเรดได้หมดนี่มันพอแล้วถึงแมาจะไม่รู้เรื่องวิชาการต่างๆวิชา ว, วิชาวิศววิทยาศาสตร์ทิวะหรือการบัญชีหรืออะไรก็ตามลกรบคูณหารไม่เป็นอ่านหนังสือก็ก่ายขอขายไม่ออกความรู้แบบนี้ไม่สำคัญ ขอให้รู้ทันกี่เหรียปากกี่เด็ดได้แค่ น, นี้พอแล้วความรู้นี้มันเป็นสันติสุโกมันรู้อยู่ในใจของไม่หลงกับอะไรแล้วไม่ยินดียินรายกับอะไรแล้วคนสเสษย์ก็ไม่ได้ดีใจคนมุทาก็ไม่ได้เสียใจได้อะไรมาก็ไม่ได้ดีใจเสียอะไรันก็ไม่เสียใจเก็บท้ายได้ตัวก็ไม่ได้ตกใจ แต่ก็ไม่เหลือน้อยตายก็ไม่เหลือน้อยนี่แหละคือาการรู้แผ่นเปลือกรู้แบบนี้ถ้ารู้แบบนี้แล้วมันมันมันรู้อยู่แตบใจความรู้แบบนี้ไม่ต้องให้คนมาบอกก็ได้ว่าถึงที่หรือยังอิ่มตัวหรือยังเหมือนกับกินข้าวไม่ต้องไปถามคนเองว่าฉันกินอย่ า, ยา น, บบนี้หรือยังมันรู้อยู่แต่ใจใจมันอิ่มเมื่อไหร่มันรู้ของมันเอง ใจมันไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับอะไรไม่รู้ของมันเองอย่างนี้ไม่ต้องไปถามใครถ้ารู้แบบนี้แสดงว่าฉลาดทึ่มีความรู้ขอตัวแล้วไม่กังวลกับความรู้อย่างอื้ไม่อับอายทายหน้าถ้าเขีนหนังสือไม่เป็นอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่ไถือเป็นเรื่องสำคัญ พรอาจารย์ผู้ภาษาเก่งแม่ย่างมีลุงเก่งเป็นคนชาวต่างประเทศเยะแยะเนีลยก็ยังถามว่าท่านสอ น, นยังไงพูดกันอย่างนันแต่เราใช้ภาษาอะไรภาษาธรรมะภาาธรรมะก็นอนพยะักงามกันไปพยักง่ามกถามชี้นูน่นชี้นี่มันก็จกัดมันมันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เห็นมันพูดกันมันอยู่ด้วยกันได้น่ะ สัตบางชนิดก็พูดกันได้เช่นนกนียก็ล้องพูดกันได้มากก็แต่มันก็ไม่ได้เป็นกลับแสงเหมือนกับที่เราพูดกันแต่มันมีวิธีที่เราจะสามารถสื่อกันได้ด้วยสายตาด้วยกิริยาอาการต่างๆแล้วเวลาเด็กเล็กพูดไม่รู้เรื่องเราทำให้มันกลัวทําทำทำได้สอนว่าอย่างนี้ไม่ดีเหมือนกับอย่างรู้พอยกมือจะตีมันเหมือนก็รู้ว่า วิชาต่างๆไม่อยาไปหลงกรงนเะด็นไงอย่ากไปคิดว่าโรต้องเรียนรู้ทางโลกโจบปัญญาตีโทเอกก่อนแล้วจะมีปัญญาภูมิปัญญาที่จะมาปฏิบัติทำดีไม่ดีมันกลับเป็นปัญญาขวางทำสิเีงทำให้กายเป็นมีทิฏฐิถือตนคิดว่ตนฉลาดครูบาอาจารย์สันสอนก็จะตอตั้ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งทักทานถิวอยู่ภายในใจไม่ยอมรับ เพาะความรู้ของทางโลกทางธรรมนี้มันคนละเรื่องกันตอนนี้ทางโลกรู้มากเท่าไหร่กิเล ย, ยิ่งกลับมีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งหลงหลงตนเองมากขึ้นเท่าไหร่แต่ความรู้ทางธรรมมันยิ่ยงมีมากเท่าไหร่กิเลยิ่งเล็กลงยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆอัตตาตัวต น, นี้มันน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งเลือเลือสูงเป็นสูญญตาไปแล้สวสูญญตาก็คือ ศาสตศตจากโตตมคิดฐิมาแล้การคิตรดตนเราจะิดว่าตนสูงตนวิเศษอย่างไรคนที่มีความรู้ทางโลกมากจะคิดว่าตนวิเศษเหมือนมีนักปราชญ์นกลุ่มอย่างเป็นทดสอบภูมิปัญญาของพระป่ารูปนี้ถตามพระปา่าท่านว่า มันก็เครื่องบินนี้มันบินได้ยังไงก็หลวกจิตจิตทําให้มันบินได้บอาก็ฟังเราก็บอกว่าจิต น, นะถ้าไม่มีจิตแล้วมันจะบินได้ยังไคนเราถ้ามันมีจิตมันกม็มันก็เป็นซากสุ่มเครื่องบินมันจะบินขึ้นมาได้มันก็ต้องคนที่มีชีวิตนี้นคิดสร้างมังขึ้นมาผลิตมังขึ้นมาผลิตแล้วก็ต้องขับมันก็ต้องมีจิต จิตถึงเป็นใหญ่จิตนิจนัเายาน เ, นเนี่ยถึงเป็นย่างมโนตุบังธรรมามโนมายามโนเส็าเนี่ยทำทั้งปวงนนจิตเป็นเหตุเป็นเป็นประธานมีใจเป็นประธานถ้าไม่มีใจแล้วก็ไม่มีสิ่งต่างๆ่านี้ทำเนี่ยพุติตาลาหลังนี้ก็เกิดมาจากจิตใจ ร่างกายนี้ก็เกิดมาจา ก, กจิตใจไม่มีร่างกายร่าไม่มีใจร่างกายนี้ก็จะเริเ่มเจดบตัไม่ได้ออกมาจากท้องแม่เพราะถ้าจิตเกิดทิ้งทิ้งร่างกายนั้นตอนที่คลอดออกมาเด็กคนนั้นก็ถึงว่าตายไปแล้วหรือแม่ตายีปก่อนที่จะคลอดเด็กที่อยู่ในท้องก็คลอดไม่ได้เนื้อถ้ามีหมอก็อาจจะช่วยได้แต่หมอก็ต้องมีจิตเลเครแล้วมันนีไม่พ้นจิต ไม่ว่าจะทำอะไรยกเว้นสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นต้นไม้ภูเข <c oughs> าแดดลมต่างๆเหล่านี้ไม่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องแต่สิ่งที่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องก็สิ่งที่พวกเราอยู่กันทักที่เกี่ยวข้องกันอยู่ทุงวันนี้ก็มีจิตทั้งนั้นที่เป็นตัวที่ไปเกี่ยวข้องเรือ <c oughs> และจิตเวลาที่เป็นต้นเหตุ ที่ให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเราเพราะในจิตตั้งแต่ละคนนี้มีอริยสัจสี่ทำงานอยู่ตลอดเวลาอาริยสัจสีนี้เป็นเป็นเหตุผลสองคู่ฝ่ายทุกข์กับส ม, มุสมมทัยนี้ก็นหนึ่งคู่ฝ่ายมรรคกับฝ่ายนิโรธก็หนึ่งคู่อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่า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 แล้วไม่ต้องไปหาอริยสัจสีที่ไหนมันมีอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราจะมองเห็นมันหรือไม่เท่ า, านั้นเองภาวนาเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราศึกษาแล้วมันก็เป็นเพียงแต่ตัวน้อตัวตัวน้องสุริตัวอักษร อ, อยู่ในหนังสือทุกคำทยนี้รอทุกเป็อนอย่างานั้นคำไทยเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันทํางานอยู่ตลอดเวลานีไน้ไม่รู้สึกตัวมม่รู้ตัวโจมันทำงานถ้าภาวนาแล้วมันจะ สติปัญญามันจะวิ่งเข้าไปตรงจรุดนั้นมันจะเห็นการทำ ง, งานมันเห็นเหมือนกับเป็นไปดูมวยทิชงชมป์โลกกันระหว่งมมางธรรมะกับกิเลสนันต่อสู้อยู่ในใจของเราใจของเรานี่กันเหมือนเวทีแต่ส่วนใญ่ลรามากักจะไปเชียกกิเลสกันทุกเมันอนันดีมากเราพอกิเลสแยกบอกมาพักแล้วก็รีบตอบรับา ท, าทันที ไปเที่ยวมหมเอาไปเลยไปวัดไหมเพราะยังไม่ว่างเนี่ยเนี่ยจะนางว่าเรากําลังเชื่อพิเลพิเลมันเป็นคว้าแชมค้าเข็มขัดแชมโลกไปคอยอาวิชาคือเนี่ยแหละคือคือแชมป์โลกก็คือค อ, อวิชามองเองถ้าถ้าทำคว้าเอาเข็นขัดไปเป็นแชมก็นี่แหละมรรคผลที่พา่าน แล้วคนทีทานก็เกิดจากทานสิงหอภวนาเ ก, กิดจากธรมาไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นไม่ได้เกิดจากาพระปุจจาไม่ได้เกิดจากคูบาจารย์แตจากมรรคที่เราต้องผลิตมันขึ้นมาในตัวของเราเองเวาอาจารยืสอนนี่คือผลิตขึ้นมากนันนว่าให้ให้มีมรรคขึ้นมาได้อไให้มีความคุนขวาย เป็นผู้ใฝ่รู้สนใจศึกษาสังเทศสังธรรมท่อหาพะระรู้หาหาครูาอาจารย์หาพระพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าที่รู้จริงเห็นจริงปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วยอมเอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่ไม่สักแต่ว่าฝังลองเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่มีลงเนื้อติดอยู่ในใจไว้เป็นเชื้อเพื่อนําเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเลย ถ้าฟังอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ยังไม่เกิดประโยชน์ฟังแล้วถ้าฟังได้ร้อยเราเอาไปปฏิบัติได้ร้อยนีอย่างนั้นจะเกิดปฏิบัติ์ังมีสมัยพุทธการที่เราฟังเทกันแล้วเราก็บรรลุ ก, กันในท่านั้นเลยสดๆร้อนๆนั่นแหละเรียกว่าฟังฟังทั้งร้อยเก็บไว้ทั้งร้อยเอาไปปฏิบัติทั้งร้อยในในปัจจุบันทำเหลือนั่นเลย พอไปพิจารณาในจิตในใจเห็นอริยสัจิที่กําลังปรากฏขึ้นมาอยู่ในจิตในใจเห็นสมไทยเห็นเห็นวิชาเห็นโมหะปรากฏขึ้นมามีมรกคปิสติปัญญาทะลุทะลวงเข้าไปทําลายมันได้ในขณะที่ฟังไปเห็นด้วยใจลักคนี่เราเห็นเห็นอนิจจังทุกข์ทหน้าตานุทุกสัดส่วนของสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วมันก็ อวิชามุหะมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ทนอยู่ได้อวิชามุหะมันเหมือนกับความมืดถ้ามีแสงสว่างขอพระอาทิตย์ตอนเช้ า, าโผล่ขึ้นมาความมืดมันหนูไม่ได้แสงอาทิตย์มันมีอนุภาคมากกว่าความมืดพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็แล้วความมืดมันก็สว่างจ้าเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างะติปัญญาลุมกของ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 ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตไม่ได้อยู่ที่นันที่นี่อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่เสียงที่กำลังฝันแล้วก็เอ า, เอ า, เ, อ า, าเอามาพิจารณาใน ท, ทันที่ในขณะนั้นหนึ่งถ้าแสดงธรรมถึงจุดที่เขาต้องการแสงสว่างนั้นเขาก็สามารถดึงแสงนั้นเข้าไปสื่อในจใจเขาได้เลยการแสดงธรรมท่านก็ต้องแสดงจะต่ําขึ้นไป เพราะว่าเวลาแสดงทีอคนฟังมีหลายระดับด้วยกันเขาต้องไล่ไปจากอนุวานุบาลไปไล่าจากทานขึ้นไปสู่สิงขึ้นไปสู่พลรนาสู่สมาธิสู่ปัญญาสู่วิมุตติการุณ์คนฟังอยู่ตรงขั้นไหนก็อาศัยอาศัยการแสดงนี้เป็นเหมือนกับเดินตามเลย เราหลงอยู่ในป่าตอนคืนพอดีมีคนก็มีไฟก็เดินถือไฟมาแล้วก็เดินตามเข้าไปเลยเราก็ถ้าเราเดินไปในความมืดเราก็มองไม่เห็นทางทพอมีคนถือตะเกียงหรือถือไปฉายมาเขาเดินไปข้างหน้าเราก็ขอเดินตามเข้าไปเลยการสังเทศสำคัญก็แบบนั้นอาสัยแสงสว่างของของครูบาอาจารย์ของผู้แสดงเป็นผู้นำทางไป คนฟังก็เดินติดตามไปแบบอย่าให้ห่างเลยนี่คนคนที่ไปถ้าตามไม่ทันคนนั้นก็เดี๋ยวพอแสงสว่างไกลแล้วก็มองให้เห็นเนี้ยก็ต้องหยุดก็ต้องรอคนคนใหม่มาก็รอฟังเทตรอบหน้านเช็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนประกาศธรรมขั้แงแรกให้จากพระปัญจวัคคีย์ตอนแรกก็มีองค์เดียวที่สามารถตามไปได้ แต่ตามไปแรกแค่หลักแรกเท่านั้นเองคือหลักของพระโสดาบันยังไปไม่ถึงหลักของพระอรหันต์แต่หลังจากทรงรแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งองค์อื่นก็ตามถันทั้งห้ายุคได้บรรลุเป็นพราอหันพร้อมพร้อมกันเลยหลัง <c oughs> จากที่ทรงรแสดงพระ อ, อนัตลนตลักษณ์คณสูตรทรงรแสดงว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา สัพเทธรมานตาโดยตอนนั้นจิตตรงนั้นก็ได้บรรลุอริยขั้นอื่นแล้วก็ส่แสดงขั้นสุดท้ายเขาก็เขาก็ติดตามได้ทันทีหลุดพ้นจากความมึนสิ่งสาสว่างหลุดพ้นจากการหลงทางที่อยู่ในป่าของความมึนได้ หลังจากนั้นก็มีแสงสว่างอยู่ ต, ตลอดเวลากับตนเองเพื่อเอาไปสอนผู้อื่นต่อไปภายในเวลาเจ็ดเดือนนี้ก็มีพระพาริยเจ้าพระพร ะ, รพ ะ, พะอหรหันตสาวุกอย่างน้อยก็หนึ่งพันสอง้อยห้าสิบคนเจ็ดเดือนตั้งแต่วันแรกที่สงฆนาพระธรรมเทศนาพระธรรมาจาักกับประวัตินาสสุในวันเพ็เดือนแปด มาถึงวันเพ็นเดือนสามวันมาครับิจารก็เจ็บเดือนก็มีพระอรหรันต์หนึ่สองรอห้าสิบลูกได้มา่อพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้น้ำเหมาาือนกันมาก่อนพอระพระอหานนี้เมื่อท่านบรรลุแนละ้วพระพุทธเจ้าประสงค์สอนให้แยกให้กระจายทางตระหนึนกตรนทางไม่ให้ไปด้วย ก, กันเพื่อประโยชน์ ในการเผยแผ่ธรรมะจะได้ต่อย่างกว้างขวางพ อ, อฟังก็ไปสั่งสงอนคนนั้นคนนี้เขาต่อฟังเขาก็บรรลุเป็นพระอาหนารกันขึ้นมากันอย่างรวดเร็วในเนจ็ดเดือนนี้สามารถผลิตตารางานขึ้นมาได้อย่างน้อยก็หนึ่งันสองรกอยเจ็ดสิบเอ็ดจำนนจริงๆไม่รู้นะนู้นแล้วก็พูดตปตามคำพีดจะเหมือนันต่ว่าถึงลกเนี่ย เป็นความสองร้อยห้าสิบเอ็ดลูกนะถ้าอย่ากไปตีว่าเป็นสานะสะละกันคือกันเพียงแต่ํานวณให้ให้ทราบคร่าวๆว่ามันมากในระดับนั้นตอนนี้ทางนันเขาบอกว่ามีคนสอนมีคนนําทางและคนต่างก็ให้ความสําคัญต่อธรรมะมากกว่าอย่างอื่นสระหทุที่ยาววงที่บรรลุนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชเท่านั้นในขั้น แ, บบแรก เขาได้สละกับสมบัติเข้าของเงินทองออกบวช น, นักษาสีลอยเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญาคือพระอริยศัจ ส, สีไม่มีใครรู้ว่าทำงานอยู่ในจิตในใจของเขาตัดโลกอยู่ตลอดเวลามีพระพุทเจ้าที่ทรงตัดทะลุเห็นเป็น อ, องค์งายนี่ลนะคือเขาเรียกว่าปัญญาคือการตัดรู้ต้องผ่านพระอริยศัจ ส, สี พระอริยสัจสี่นี้เป็นเหมือนกับดาวนีอเป็นที่ที่ผลิตตัญยาเพื่อการโทงไม่ว่าพระหลังกิรูปูพระพุทธญากร่ยูก็ต้องผ่านพระอริยสัจสีนี้ด้วยการทุกทเพราะมันเป็นด่านที่ปิดกั้นสับโลกไม่ให้ได้หลุดพ้นจากการยืน่ายตาเกิด มีกร ะ, ยะโยงเกี่เรื่องวันมาฆบิช า, าเรื่องของการให้ความสำคัญต่อธรรมะยิ่งกว่าอย่างอื่นอย่างอื่นถ้ า, ามีการจงเป็นก็ก็ต้องทำไม่ใช่ว่าไม่ไม่ให้ทำกุติร่วก็ต้องซ่อมไม่มีกุติอยู่ก็ต้องสร้างไม่มีศาลาใช้ในการบำเพงก็ต้องทำแต่ให้มันมีขอบเขตามีตะมาณเท่าที่จำเป็นอยาไปลองสร้างแบบรูหรา เหนื่อยกับการไปไเรียลัยหาเงินหาทองมาสร้างสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมาเหนื่อยกับการดูแลรักษามาคอยเก็ดกวาดถือสร้างตานทีวัดวาไม่มีวัตถุแต่หนึ่งแต่หามรักผลนิพพานนี่นเจอเพราะใจไม่ได้ให้ความสำคัญ ก, ก, กับทันมาใจให้ความสำคับวัตถุต่างๆ ึงขอสรุปให้เหน็นความสําคัญของธรรมะที่ิ่งกว่าสิ่งองื่นใดให้สละเสิ่งอื่นถ้าเราต้องเลือกระหว่างธรรมะกับสิ่งอื่นๆก็ขอให้เราสละธรรมะเพื่อสละสิ่ง อ, งองื่นๆ เ, เพื่อธรรมะแล้วผลที่ตามมันก็จะอยู่แค่เอื้อมมือของเรา่เอง อย่างที่ว่าอาศัยชายธาเหลียงเกาะชายธาเหลียงไปสวก็เพแล้วก็เวลาีลูกเป็นพระแล้วใจแม่พ่อแม่ก็สบายจังหายหัวไม่ต้องกังวลว่าลูกจะไปสหนมาไหนคือม้าไปติดยาเสษติดไปประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม ความสุขใจนี้ก็คือสวรรค์แล้ยิ่งท่านได้รับการสอนจากลูกด้วยดีไม่ดีได้แถึงนิพพานเลยพ่อพิจ้าได้ทรงปฏิบัติต่อต่อพระบุตรกาเลยเออคือตะคีดท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของการได้ติดกับเรื่องคำสัรเสอร์นะะก็ คงเข้ากับสา ร, รการตัวเองที่ว่าทําสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยแต่ก็ได้รับผลที่ไม่ได้ดีนะฮะพิ่ันท่านอารบอกว่าเราติดสัเสนเซิญก็มาพี่นายเห็นว่าโอเป็นเพราะว่าตัณหาที่เรามีเรามีคาดีหวังสิ่งหลนั้นที่เกิดขึ้นคราวนี้เวลาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามใช้สตทิที่จะวางอุเบกขามันมแตน่ไม่มีไม่มีไม่มีความสามารถจะใช้ปัญญาที่จะไปฆ่ามันได้ รู้อย่างนี้วมันมีสติรู้อยู่ก็แค่วางเฉยแต่สิ่งที่ที่ไม่ได้คิดว่ามันจะได้รับนะฮะแต่ว่ากับได้รับมามันก็ต้างคอยเกลนอเรื่องต้องถอยเปลี่ยนอยเรื่อยต่อไปมันก็จะมันก็จะซึมซาบเข้าไปครับแล้วมันจะบอกว่าการหวังผลตอบแทนในรูปแบบของการสนรเสริญก็ดีหรือสิงของอะไรต่างๆก็ดีนันมันไม่ได้มันไม่ได้ดีกับเรา มันทําให้เราเพ้อกรงกังวลเดิไม่เป็นทุนเป็นกุศลใจไม่สงบใจไม่เย็นใจไม่มีความสุขไม่มีความพมงใจจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีมีตัณหาความคาดหวังตรงนี้อนะฮะพอท่านอาจารย์เทศทตรงนี้ปุ๊บก็เลยร้องออกว่าจริงๆลึกๆเรามันมีลึกๆเรามันมีเพราะว่าพอมันผุดขึ้นมาถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นใช่เพราะว่าเราไปคาดไปหวังนั่นเอง ถ้าไม่มีมเราต้องทำเพื่อเงินเดือนเท่านั้นท ำ, ทำแล้วเขาจ้างเรามาทำงานที่นี่แล้วก็ทำไปเงินเดือนเราพอใจแค่นี้แหละเขาจะให้ตำแหน่งหรืออะไรอย่างอื่นเพิ่มหรือไม่นี้ไม่สำคัญ อย่างประเทศนี่ก็อยากไปหวังว่าจะญาติโยมจะถวายข้าวเขาอะไรประเทศนไปตามเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้สักบาทก็ไม่ว่าอะไรไม่เดือดอนนเจแค่ถ้าเเป็นเจ้าของกิจการนะคะอันนี้มันเริ่มบางก็มันนี่ก็เป็นการท้างอย่างมันไม่ได้เป็นการทําบุญถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็ถ้าอยากจะทําบุญก็เจ๊งกระเจ๊งไม่รวยไม่ได้ไม่กาไรก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นบุญ มันจัดมันสบายใจมันไม่เครียดเจ๊งก็เจ้งได้นี่มันไม่เครียดรับรองถ้ายังโฟเจ๊งอยู่นี่มันก็เครื่องขึ้นมาทำได้ทำไมเราทําใจไม่ได้เพรามันนู่นมันจะเจ้งอ่ะมันยังไงมันก็ต้องเจ๊งอยู่ดีแล้วเราเราต้องไปเครียดกับมันด้วยแต่เราก็ต้องทําให้มันดีที่เมื่อเราดีที่สุดของเราเนี่ยมันมันทำให้เราเจ๊งมันก็ช่วยไม่ได้แต่เราอย่าไปเสียสองต่อ เสียทรัพเราอยากไปเสียใจต้องยิ้มได้ต้องสละได้หอกว่าอันะนี้จังทุกขมัมราตาผููทําทไม่ได้มันก็ยิ้มได้เราไปซีเรืไปไป่องจังมาเ ป, ป็นไปเราจริงเราจมากเป็นไปไม่รู้ว่าเป็นการเล่นละครเป็นของเล่นาาทั้งนั้นทัพสมบัติเท่าของเงินทองเงินตา่างได้มากรเท่าภเขาลายแต่ตะเกียงคนหนึ่งกมัามา่ เวยาติดตัวกันน้อยแต่จะตังเดียวเอาไว้ในตากสับปะเลอเล่าอ อ, ออกมันเอาท่าที่พอเอาท่าที่จำเป็นเอามาเพื่อมาสนับสนุนงานหลักของเราคือการปฏิบัติธรรมร่างกายมันก็ต้องมีข้าวกินถึงจะพาวนาได้มีมีปัจจัยสี่เอาเท่านี้แหละพอมีปัจจัยสี่แล้ว อ ย, อย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองหรือป่วยการบไม่เกิดประโยชน์อะไรหาธรรมะสิ่งที่เราขานมากมากก็คือธรรมะสิ่งที่เรามีมากเกินไปก็คือเงินทองพอมีแล้วก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเราไปซื้อของที่ไม่จําเป็นของสิ่งการที่เราซื้อมาไม่จําเป็นนั้นแหละนี่ก็เอาไปเลี้งกิเลสแล้ว เราไปสร้างสมุทรไทยให้มีกําลังมากขึ้นซึ่งฝืนกับหน้าที่หลักของเรางานหลักของเราก็เพื่อที่จะทําลายสมุทรไทยให้มันเบาบางลงไปสมุทรไทยมันเป็นเหมือนเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคโรคในร่างกายเรากินยาเข้าไปก็เพื่อที่จะไปทําลายเชื้อโรคไม่ใช่กินยาเพื่อที่ไปเสริมกําลังของเชื้อโรคให้มันมีมากขึ้น ถ้ากินผิดยามันก็ไปทำให้ชีวิโเรมามีกำลังมากขึ้นโรคมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งกำเริบในี่ใจก็เหมือนกันความทุกขของเราเกิดจากสมุทัยความอยากต่างความอยากความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าต้องการในสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจใจสิโดยประมาณอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นตัญหาเรียกว่าเป็นความจาเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเหตุเป็นผล ถ้าเราให้อาหารให้กระจสี่แก่ร่างกายตามพอประมาณคือตามความจาเป็นตามความต้องการของร่างกายแล้วก็พอแล้วอย่าไปเสียวเวลากับการกับเรื่องเหล่านี้บางทีหามาแล้ว ม, มันไม่พอประมาณบ้านนี้ต้องราคาร้อยล้านรถต้องราคายี่สิบล้านสี่สิบล้าน เอาไปทำไมรถ40ล้านกับรถ4แสนมันก็เว่นแผนที่ไม้อันเดียวกั น, นแต่ความหงนี่มันหลอกให้เราไปสร้างปัญหาให้ ม, มากขึ้นๆเราไม่มีคลามเสือกเราคนเห็นเห็นยาจจะคิดว่าเอามีคลามเสือนี่ดว่า40ล้านก็ต้องห่วงคองคอยตรงว น, นแล้วจะจอดที่ไหนหได้ใช่ไหม เสียทีค่าซ่อมไม่ใช่ถูกถูกเสียทีค่าซมอมรถคันตายอาจจะไปซื้อรถรถได้คันหนึ่งนี่คือความเท่านท่านไปไปเลี้ยงตัญหากิหลสมันจะหลอกให้เราไปเลี้ยงตัญหาให้มีกำลังมากขึ้นให้ใหญ่ขึ้นเราจึงต้องมีความหนักแน่นตอ่อ พอทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำมันมาักน้อยสันโดษเนี่ยแน่นกับมันนะมมากน้อยก็คือเขาอ้าเดี๋ยวไปมักมากมักน้อยเอาพอดีเอาเท่าที่จําเป็นบ้านถ้าเชาวเขาได้อยู่ได้ไม่ต้องไปซื้อก็ได้เาที่มันหลบแดดหลบฝนได้ก็อ ย, อยู่ได้อาหารอยู่ใกล้ตรงไหนมันกินได้สะอาด กินได้อิ่มท้องไม่เจ็บไข้ได้สปวดก็กินมันจะเถอะไม่ต้องไปขับรถไปน้อยกินโลโซเถอะไปกินอาหารอันโอชะฝตายนันบบ้นมันตายแบบทีเปละาไปเนี่ยเรื่องวันมันมน้งนอยสำรวจยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรกินก็กินไปใครก็เขาจัดมาหิวถึงเวลากินอยู่ใกล้ตรงไห น, นมีอะไรพอกินได้ก็กินไป จกินอิ่มแล้วก็จบนั่นอย่าไปกินมากถ้ากินถ้างดกินหลังเที่ยงวันไปได้ยิ่งดีใหญ่หรือถ้ากินวันละมื้อได้ยิ่งยิ่งดีขึ้นไปอะ่ะรือบงวันไม่กินบ้างก็ยิ่งดีอ่มันกินมากจนเกินไปมันทำให้เวลาภาวนาเน่ยมันนะเหมืนกับลากเรือลากของลากรถที่มันมีของมันทุกหนัก ลงไปไม่เข็มเหงาถ้าร่างกายเบา น, นี้นั่งสมาบ้านั่งภานาก็ไม่ง่วงเหงาเหงาหน่อยเดินโยกมือก็มีกําลังกระจับกระเชงถ้ากินมากๆแล้วจะคิดแต่หาหมออย่างเดียวหมอนียตรงไหนหมอนียตรงไหนท่านถ้สอนให้มีประมาณในในการรับประทานอาหาร เน่ยมันก็มีหลายท่านท่านท่านไม่รับประทานหลังจากเทงวันไปแล้วก็ท่านแรกท่านที่สองก็รับประทานวิดเดียวครั้งเดียวต่อวันท่านที่สามก็อดบ้างอดทีละสามวันห้าแรบ้างถ้าถูกกับจริลมันจะช่วยการภาวนาให้ไปได้อย่างรวดเร็วเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาอาหา่มันจะทุกข์ทางใจมากจิตมันจะคิดแต่เรื่องอาหาร เราต้องพาวนาเพื่อดับความคิดนี้เท่านั้นเองพอความคิดนี้หยุดก็ความอิ่มความหิวหายไปความความอิ่มนั้นเข้ามาแทนที่เพื่อความอิ่มใจมันเข้ามาและความอิ่มใจนี่มันมีกอัมภาพมากกว่าความหิวของร่างกายมันทำให้รู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหิวมันก็รู้สึกเพลียๆอย่างน้เหมือนกับวันที่เรามีความสุขใจเราเราเืนกินข้าวไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อน เพาะความสุขใจความอิ่นใจมันมันอันภาคมากกว่าความหิวของทาง่าการมันดับความวของทางร่างกายได้แต่ถ้าไม่มีความสุขใจอิ่ใจต่อให้กินเสร็จอิ่มใหม่ๆนี่แหละเดี๋ยวเห็นขนมเห็นของปวดขึ้นมาก็าหิวขึ้นมาอีกนันทเนี่เกิดด่านแรกที่เราต้องพยายามฝึกทำให้ได้ คือการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร <c oughs> การภาวนาที่เกยพูดไว้ว่ามันต้องมีปัจจัยเสริมสนับสนุนการมีมีรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารนี้ก็เป็นข้อหนึ่งข้อที่สองก็สำํำลวงเป็นเสียงตาหูจมูนิ้วกายอยากไปดูอยากไปฟังไอ้เรื่องที่ไร้สาระต่าง ของที่เป็นบนเทอรให้เกิดทางเพื่อเทวตวทัศจิตวิทยุอิดเทงไม่ฟังหนังสือนิยายต่างๆไม่อ่านถ้าจะฟังก็ฟังเท่ฟังธรรมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าจะสิบคุ้มเมตอยู่ที่ห่างไกลจากเสิอย่างนี้เช่นมาอยู่บนเขานี้มันก็ใบฟ้าไม่หนีมันก็ตัดไปได้เยอะ ธรรมทัศไม่มีแอร์ไม่มีตู้อย็นไม่มีไปอยู่ในป่าอยู่ที่เหมืนไกลห่างไกลจากทวามเจริญเพื่อจะได้ปิดทวายทั้งห้าสี่กิเลสไม่เข้าออกมีทางเข้าออกทั้งกิเลสอยู่หกทางด้วยกันทางตาหจูจมูกนิก 5, ้วกายนิ้วห้าเราทางใจ ก, ก็หกถ้าเราปิดแค่ห้าก็เหลือทางเดียวเวลาจะจับกิเลสจับรวมผู้ร้ายมันง่าง เราคนเดียวลองไปอยู่ที่ห้าหกจุดไม่ได้เราจะจับโจเนี่เราเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาทางไหนมันมีออกมาต้องหกทางเราก็ปิดมันจะห้าทางล็อกประตูไว้ห้าทางถ้ามันออกมาทางเดียวเราก็นั่งเฝ้าดูเหมือ น, น, น, นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ออกมาถ้าเราปิดปิดตาหุมเป็นหมวกลิ้นกางไม่ตื่ ให้มีเกิดกิเลสทางตาหูจมูกลิ้กายนะมันก็จะมีเหลืออยู่ในใจมันก็จะคิดคุ้งมชาติอยู่ในใจคิดอยากคิดมีอะไรอยู่ในใจนั่แหละมีสติก็เฝ้าดูงั้นมันอยากมันก็ดับมันไปดับมันไปเดี๋ยวมันก็หมดเองกิเลกมันมันหมดเพราะว่าเราไม่ทำตามคําสั่งของมันกิเลสมันมีมากขึ้นเพราะเราทําตามคําสั่งของมันสั่งให้ไปติดทอท่านนี่มันทํามากขึ้นอีกตัวนึ่งเลย สั่งแล้เปิดตู้เย็นมันก็เพิ่มต้นเหลืองไปถ้ามั น, นสั่งแล้วเราไม่ไปเหลือตัวนั้นมันก็มันก็หายไปเพราะสั่งทีไรนก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ผลมันก็ไม่สั่งต่อไปมันก็ไม่สัเหมือนกับสูบบุหรีจากจะเลิกสูบบุหรี่กินเหลืองเพสั่งพอบุหรีมาสูบสักพวงไหมไม่สูบไม่สูบก็สู้กันไปอย่างเนี้ยมันสั่งอีกครั้งเราก็ไม่ทําตามเในที่สุดมันก็ยอมแพ้ เราอย่าไปยามแพ้มันก่อนแล้ววิธีที่ที่ดีก็คืออย่าไปสู้แบบแบบแบบแบบแบบเฉยๆอย่างนี้ไม่มีกําลังสู้แบบทําสมาธิไปดีกว่าอย่าให้มันมีโอกาสได้คิดเลยอยาให้มันมีโอกาสได้สั่งเลยติดปากมันไว้มันอัดมันใช้ใจนี่แหละเป็นตัวสั่งการเราก็ต้องหยุดใจแม้มันทํางาน มาให้ใจคิดตรงได้มันก็ทํางานไม่ได้เมื่อเราหยุดใจได้บ่อยๆเท่ามันก็ไม่มีทางที่จะมาสั่งสั่งสั่งเราได้เพราะใจที่เป็นเครื่องมื อ, มมมอใใของมันเราเราคุมไว้อยู่เหมนเราถึงกุญใจรถมาอย่างเงี้ยลูกจะขโมยรถไปขับมันตายไม่ได้หรอกพราะเราถือกุญแจมาแต่ถ้าเราเสียกุญแจไปเนรถเดี๋ยวพอเราเผลอนอนหลับลูกมันก็เอารถไปขับไปเที่ได้ เราต้องคูมใจองเราให้ได้ให้มันสงบในขณะที่ไม่สงบก็ต้องเศ้าดูมันเพราะเราไม่สามารถสงบได้ตลอดเวลาเราทำจิดให้สงบได้ตอนนั้นเราก็สบายไม่ต้องมาดูมันแต่พอมันออกจากความสงบมันเริ่มคิดตรงแล้วเราก็ต้องดูมันละมันจะคิดไปในทางไหนคิดไปในทางกิเลสไม่คิดไปในทางธรรมถาคิดไปในทางกิเลสก็ต้องรีบเอามาคิดในทางธรรม เจนออกจากสมาธิแล้วกับพิจณาอาการสามสิบสองไปเลยอย่าให้มันอยู่ที่เฉยเราอยู่ที่เฉยป๊อบเดี๋ยวนี้จะคิดหาหาเป็นนทางทเกณฑ์หาทวารทัดดูอย่างที่เพื่อนเขามาเล่าให้ฟังเรื่องสมาธิเสร็จออกจากสมาธิก็เปิดโทวารทัดเลยพอจากสมาธิป๊อบก็ให้มันดูหนังกายคต า, าสติเลยเกณฑ์จาโนมานขาขาตาตากะเจอดูทวารทันในในภายในนี่แหละ เปิดโทรทัศภ า, ายในดูอาการสามสิบสองผมขนได้ปันดูอนิจจังเกิดแก่เกิดตายดูวาศพะตายแล้วเป็นอย่างไร้าดูไม่มีไม่ีใครอยากจะดูคนตายไหมเวลาไปงานสมยัไม่มีใครเห็นคนตายเขาปิดไม่ไม่ชิดไม่เห็นทาไมปิดทำไมของดีแท้ๆ <c oughs> ตัญฑ์ตัา่าแท้ๆอยู่งนั้น กาเกิเลสมันน่าให้แม่อนยญาให้เกิดเพราะมันจะกลัวอะไรกับร่างกายของเราตายไปมันก็เป็นร่างกายนี้แต่วอามันเน่าลงไปจอยู่ของคนอื่นเราจะได้เอามาเปรียบเทียบกับของเรามันก็เหมือนกันร่างกายของใครก็เหมือนกันทั้งนั้นเ็อยู่ในสภาพเดียวกันทั้งนั้น การพิจารณานี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็จะปล่อยวางกายได้แล้วมกลับไปนั่งพอพิจารณามากๆกันใหญ่ก็กลับไปนั่งภาวนาต่อแล้วเกิดเวทนาก็พิจารณาเวทนาต่อเวทนาก็ก็อ น, นิจจังทุกขรังอนัตตาเหมือนกันปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยึดของเขาไม่ต้องไปงยินดียึดวายกับเขา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 นั่นมันก็ดับไม่าของมันเองมันไม่เป็นโทษมันไม่เป็นทุกข์เป็นภัยไอ้ตัวที่เป็นทุกเป็นภั ย, ภยก็คือทุกข์ใจความเจ็บปวดทางใจที่เกิดจากสมุทยัยความอยากให้เวทนาทางกายนี้ดับไปหายไปนี่ความลังเกียจความกลัวไอ้ตัวนี้ต่างหากที่สร้างความความเจ็บปวดทางด้านจิตใจไอ้ตัวนี้เราดับได้ ยอมได้ด้วยการทำใจให้เป็นอุเบกขายอมรับความจริงของเวทนาว่าเขาก็เป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราดับเรารับมันได้ทุกคนมันหนาวเราก็รับได้มันร้อนเราก็รับได้ฝนตกเราก็รับได้เราไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของดินฟ้าอากาศมากนะฝนตกเอาไปนั่งนอกก็กาลางร่มเฉีย ถ้อไม่ได้ก็นั่งอยู่รอให้ฝนหยุดก่อนแล้ว่อก็ไปเวทนาก็แบบเดียวให้มันทุกขปล่อยให้มันทุกไปเดี๋ยวมันก็หายเจ็บของมันแต่เองถ้าอย่างนี้แล้วใจจะไม่ทุกขาใจไม่ต้องกินยาแก้สวดจริงๆถ้ามีธรรมะนี่แหละคือธรรมะองค์เดียวคือทับ คือการทำใจให้เป็นอยู่ใบขาด้วยปัญญาด้วยการปล่อยวางเวทนาทางกลางเวตนานี้ทุกเวตนานี้มันก็มาทั้งท่าทวายเราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นคนที่เราเกลียดที่หน้านี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นอย่างเมื่อได้ต้องสัมผัสต้องกินอาหารที่เราไม่ชอบนี่มันก็เกิดความทุกข์ทุกเวทนาขึน้นมา ทางทางขันนั้นไม่ได้ทําใจแต่ถ้าเราทําใจให้เฉยๆชอบไม่ชอบก็กินมันอย่าไปอย่าไปเกิดความยินดียินร้าใช่อย่าคิดว่ามันก็เป็นธาตุสี่ลิ้นน้าลมไฟร่างกินมันไม่รู้หรอกว่าอาหารที่มันกินมันมันดีชั่วอย่างไรไอตัวรู้มันไม่ได้กินมันเพียงแต่รู้ว่าอาหารนี้ไม่อร่อยแต่ไอตัวกินที่มันไม่รู้ว่ามันกินอร่อยหรือไม่อร่อย ร่างกายมันไม่เืมันไม่มีตัวรู้อยู่ในร่างกายตัวรู้มันไม่ได้กินตัวรู้เหมือนคนนั่งข้างๆกายแล้วบอกให้กายกินกินนั้นกินนี้แล้วไอ้คนที่อยู่ข้างๆมันดีใจเสียใจแบบการกินของร่างกายเป็นอจะได้สัมผัสนับรู้เรื่องรสชาติของมันเองแต่ร่างกายตัวที่กินนี่มันไม่รู้อ่ะมันก็กินว่ามันผ่านลาคอเข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเป็นรสชาติอะไร แา่เพื่อสัมผัสแค่ไมก่กี่วินาทีสัมผัสตรงลิ้นนั่นเองสัมผัสตรงตาสัมผัสตรงจมูกเราผ่านเข้ามาในลาคอแล้วจะเจ็บเป็นทุกข์เพราะความผูกข์ทั้ในเองทุกอย่างมาอยู่ที่ความทุกข์ทั้งนเกิดทุกข์เพราะสุนทัยเี่พอเราเห็นภาพที่เราไม่ชอบอย่างนี้นจะเป็นสมุกไทยแบบเปลี่ลยนไปมัมีมปฏิกิริยา เกิดความเปลี่ยนเกิดวิภาวะปัญหาไม่อยากจะไม่อยากจะเจอไม่อยากจะพบแต่ถ้าเราไม่มีวิภาวะปัญหาก็เฉยๆถึงแม้ว่าในอดีตเราเคยไม่ชอบมันแต่ตอนนี้เราทําใจได้แล้วเราก็ไม่ทุกข์เคยเกลีที่หน้าตรนนี้เจอทีไรใจันจะร้อนขึ้นมาทันทีแต่ไปปฏิบัติทำภาวนาทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ยอมรับว่าเห็นใครก็ได้ใครจะมาก็ได้เฉยๆเลย ที่ตรงนั้นรู้อยู่แต่ไม่กลุ้งต่ t อะไม่มีกลุ y งต่อ ม, มีปัญญานางอัปแบบว่าตัดแต่ว่าเป็นลูกอย่างที่พ่ะเจ้าทรสอนว่าเห็นอะไรก็ให้ตัดแต่ว่าเห็นได้ยินอะไราาก็ตัดแต่ว่าได้ยินตัดแต่ว่าตัดแต่ว่าเป็นลูกเป็นนากรารทุกขังอนัตเกิดดแบบับมาแล้วเดี๋ก็ไปเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปเราก็จะดินเขาไว้ไม่ได้ ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราไม่เดีงเราไม่ห้ามเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเรายังเดึออ ง, งอยู่หรือยังห้ามอยู่เราก็จะทุกข์ทุกครั้งเห็นคนนี้มาไม่เอาแ ม, ไม่ไม่ต้องการอย่ามาอย่ามารู้ใจอะ่ะคนที่เรารักเวลาเขาจะไปก็อย่าไปอย่าไปอยู่พักอยู่ก่อนคิดถึงนี่คือสมุทยที่เกิดจากสัญญา เห็นภาพแล้วก็มันมีสัญญาณเดงอยู่สัญญาณเดงว่าอภาพแบบนี้น่ายินดีภาพแบบนี้น่ารังเกยียจถึงไม่อยากจะดู อ, อสุภาษณ์ทั้งหมดเราดูแค่ขานแค่ไม่ไกลค่อเอตรงนี้ค่ะเราเราเห็นแล้วความดีร้ายมันเกิดแล้วแล้วพอเรารู้สึกเราก็หยุดหน่งทีนี้เออทุกคนรู้สึกว่าเออ มันหยุดเพราะเราไปหยุดมันแต่ว่ามันไม่ได้หยุดไปเองค่ะมันยังไม่มันไม่ยังมันยังไม่คลุี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นือเราเริ่มฝึกใจของเราให้ชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบให้เราไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเพื่อที่จะมาก็เรียกว่าทาให้มันสมดุลให้มันอยู่ตรงกลางคือมันแปลกไปทางชอบแล้วก็ดึงมันกลับมา เป็นแขวงไปทางเร่ชอบแล้วก็ดึงมันกลับมาให้มันอยู่ตรงกลรงกายเราก็ต้องฝึกดูภาพที่เราไม่ชอบเป็นดูภาพอสุภะเนี่ยแล้วไม่ชอบดูไปเรื่อยๆจนชินชาต่อไปเราก็จะได้เกิ่ยวกับความห่วงเกี่ยวเป็นนักศึกษาแพทย์แพทย์ที่เขาต้องผ่าหรือศัลย์ปรเลยที่ก็จะต้องเจอซากศพอยู่ทุกวันเพราะเห็นจนจํากลื่อนใจห้างใจของเขามันด้านไปกับแอะไอภาพอย่างนี้น เขาไม่มีปฏิกิริยาอบโต้บบนี่คือการพิจารณาต้องพิจารณาซ้าๆซักๆจนมันจิดตาจุใจจนกรนทั่งทาให้ใจนิ่งสงบได้ตอนพิจารณาหม่ๆมันจะเกิดการเกลียดอยากขยงกต้องบังคับพิจารณาไปเรื่อยๆจกมันจะหายขยะขยงไปหายเมื่อไหร่แสดงว่ามันรับได้แล้ว แต่ตอนต้นมันก็เป็นธรรมดากินเองมันมีกำลังอย่เให้มันเห็นไในภาพที่มันมันไม่ชอบมักนก็จะมีปฏิปเสธา ท, าทันทีในเห็นภาพที่มันชอบมันก็มีปฏิปเสธา ท, าทันทีแต่ต่อไปถ้าเราพิจริตนะยิ่งถ้าเราพิจราิาไปถึงถึงฐานของภาพเหล่านี้ว่ามันมาจากอะไรแม้ก็มาจากยิ น, นน้าลมใสอะไรเนี้ยของต่งางๆในโลกนี้มันมันไม่ได้มาจากอะไรทั้งนั้น ต้นไม้ทุกเขาใบหญ้าร่างของมนุษย์ร่างของสัตว์เดินทางมันก็มาจากยินน้ำลงฝันไม่เห็นมันจะไปต้องไปลังเกียจหรือไปยินดีกดับยินน้ำลงฝันได้ใ้ญเราเห็นดีเห็นน้าไม่ไดทําไมไม่เห็นไปน เ, เห็นน้ำก็เฉยเฉยเห็นน้านี่เราบางเกียดนั้นไม่ลังเกียจเรายินดีไหมเราก็ไม่ยินดีแต่าาพอเราปรุงเป็นลูกเป็นร่างขึ้นมาก็ไปยินดีแล้วก็ไปลังเกียจ ชอบคนนี้เกลียดคนนี้เพราะมันมีปัญญามองด้วยอารมณ์มองด้วยสัญญาพันที่เคยปลุกฝังมาในแต่ละพบแต่ละชาติของพวกนี้ไม่ต้องสอนกันเรื่องชอบเรื่องชังของแต่ละคนนีมันมาติดตามมาตัดใจบางคนก็ชอบสีแดงบางคนก็ชอบสีเขียวบางคนก็ชอบคนรูปร่างหน้าตาอย่างนีน้บางคนก็ชอบคนผิวขาวบางคนก็ชอบคนผิวดําเนี่ย มันมันเป็นสิ่งที่มันลูกฝังมาขับใจมาตลอดนี่คือสิ่งที่เราต้องมาแก้ถ้าเราพิจารณด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันก็มาจากแค่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับขนมเนี่ยขนมมันก็มาจากแป้งน้ำตาลไข่แล้วก็มาทําให้เป็นขนมชนิดต่างๆทองหยิบหอยทองเค้กเค้กอะไรมันก็มาจากไอสีตัวนี้นะฮะ เวลาเห็นแป้งเห็นน้ำตาลไม่เห็นอยากกินเลยออกก็เป็นเก้งลม่พึ่งขันเลยเพราะเราไม่ใช้ปัญญาไงเราไม่ใช้ปัญญาแล้วพอมันกินเข้าไปออกมาก็เป็นรังเกียบมันละมันก็เป็นน้ำลมไฟเหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยดี่น้ำลมไฟมันเล่นกนให้เราดู เราจะเป็นหลงมันมันหลอกเรายินดีก็หลงนะบังจิดก็หลงนะต้องรู้ว่ามันแค่ดินน้ำลมไฟมาในรูปแบบต่างๆในรูปรูปกินสีสันต่างๆรสต่างๆที่เวลาพระท่านฉันอาหารท่านพิจารณาแบบนี้นะท่านฉันว่าซึ่งอันนี้แต่แต่แยกออกมาตจะเป็นธาตุนี่ถ้าถือครุภมันได้อาหารเมื่อตอนเทมันก็ไปในบาทมัน องหยิป่อยช้อนแกงเขียววเคเคกันเาคุกคุกมันจนเหมือนกระเข้าผัดเลยอร่อยจะตายเลยลองทำดูเลย <c oughs> <c oughs> มันก็เราไปโดนกันอยู่ในท้าอย่างนั้น่ะมันมันจะไปไหนอ่ะมันไม่คุกตรงในบานนตรเาเราไปคุกไปในทน้องอ่ะ <c oughs> ยิ่งคุกในท้องยิ่งหน้ากินเลยใช่ไจเจ้าแ ป, ปฏิบัติเนี่ย เราทำดูสิ <g ül> <g ül> ทำได้ก็ฉเฉลยอดใจตัวนี่แะทำเพื่อชนะเหมือนนั้นเม bueno, ื่อชนะแล้วก็กินเป็นปกติดได้ไม่ต้องกินไปตลอดชาติหรอกทำไปเพื่อตัดไอ้ความชู้ชจีบจุกจิกเกี่ยว <g ül> <g ül> <g ül> กับเรื่องอาหารเท่านั้นเองรู้ว่ามันก็แค่สีรสนั่นแหละเปรี้ยวหวานมันเคม็มมนในรูปแบบต่างๆ ลองหลับตาดูว่ตัดของที่เราคุกกินเข้าไปมันก็มีเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นแต่ เ, เราเลือกตอนนี้ต้องเปรี้ยก่อนนะเดี๋ยวค่อยหวานนะเดี๋ยวค่อยเค็มมันม่นแบบตัดทั้งหวายด้ยต้องยึดพวกติ ช, ชายเดี๋ยวกมีโอกาสชนะอย่างนี้นะเท่างนงั้นเขาจะมีโอกาสเลื่อนขั้นของเขาขึ้นไปได้ยังไงก็ไม่มีไม่ไี้ทางถ้าไม่เป็นพ้นร้แล้วไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาใครจะมาสอนเรื่องเหล่านี้ มีพ่าพุทธศาสนาศาสนาเดียวทนั้นที่สอนทางด้านปัญญาศาสนาอื่น็ยังสอนให้เรื่อติดอยู่ทั้งนั้ น, นสอนได้แค่สมาธิใครสวดมนต์ให้นั่งรับลูกประคำหรืออะไรไปสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าแล้วนี่ก็เป็นการภาวนาทำสมาธิแต่ไม่มีใครสอนเรื่องเรื่องอย่างนี้ดินน้ำนงไปอะสะเบธรรมานะจ๊ะ พ่อพุทธเจ้าเดียร์ที่จะสอนเรื่องอะไรได้เนี่ยพวกเราถ้าโชคดีได้เจอได้เจอาศาสตราจารย์ที่สามารถสอนถึงระดับปริญญาเอื่นได้เลยศาสนาอื่นสอนได้แค่ระดับปริญญาโทเทนะ่านั้นกนี่ยธรรมะอะไรที่เราไปเรียนบางแห่งก็สอนได้แค่ระดับปริญญาโทบางแห่งก็ได้ถึงปริญญาเอก ศา ส, สนาก็เป็นเหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยสอนได้แต่ระดับทานกันศาสนาก็สอนแค่ระดับทานรระดับศีลระดับภาวนาะระดับสมาธิมีศาสนาพวกเนี่ยไปถึงปัญญาเลยไปถึงสัพเพธรรมานัตตาอนัตตาก็คือดินน้ําลมไฟกับใจา้าทั้งห้า ที่ลอยอยู่ในธาตุหกคืออากาศธาจารยะมีปัหาอย่างหนึง่งคือบางครั้งเวลาที่ฟังอะไรหรือหรือดูอะไรจิตมันชอบแย้ง น, นะคะคือแย้งอะไรไปไม่มีประโยชน์แล้แย้งทำไมแต่ว่ามันคอยจะแย้งอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยติดมา แล้วก็ต้องแก้มันเวลาฟังก็ฟังอย่างนี้อย่าไปคิดกล่มให้มีสติเกิดข้ออยู่กับเสียงที่เราฟังพิจารณาตามนะฮะแล้วจะแย้งก็ไม่เป็นไรแย้งก็รู้ว่ากําลังแย้งแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาแย้งบอกว่าเวลาฟันบอกตัวเหงเป็นเวลาฟังจะแย้งไว้รอให้ฟังเสร็จแล้วไปนั่งพิจารณาสิ่งทั้งหมดที่เราฟังมาเราวสิ่งไหนที่ เราฟังแล้วมันเราแย้งได้เหตุผลเราดีกว่าต้ก็ก็ก็แย้งได้เพราะบางทีคนแสดงอาจจะแสดงไม่ถูกเหตุกผลก็ได้เราอาจจะถูกก็ได้คนแสดงอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะคนแสดงมันก็มีหลายระดับตั้งแต่อุทเทชนขึ้นไปถึงพาาาระอรหันต์อยู่ที่ว่าเราไปฟังคนไหนเขาแสดงถ้าไปฟังอุทเทชนแสดงเขาก็บอกให้เราไปสะดอกข้อ ถ้าไปนอนในโรงศพนี่ยเราก็แย้งได้ในใจของเราอ ะ, อะเอ๊ะมันจะไปสะเดาะข้อคำได้เลยตายกระทันหันนี่ใช่ไหมของ น, นี้เราก็แย้งได้นี่ถ้าเมีทําเหนือกว่าคนแสดงแล้วก็เราก็รู้ว่าเ้าแสดงผิดนะเขาหลงหนะคือมันไม่ได้เจตนาจนะแย้งนะนะคารย์คือมันไม่รู้มันเป็นอะไรมันจะขัดไปเรื่อยเปื่อย ตัวสี่เลยกของเราสันดานของเราเนี่ย <c oughs> ต้องก็ อ, อยาไปแฉเนพยายามเวลาฟังขอฟังอย่างเดียวไม่งไปไม่ อ, ปอยาคือทกก่อนทเต้นแล้วจังแต่ตก่อนแย้งมันแย้งออกมาข้างนอกเลยนะหมาาม่ใพูดเลไร <c oughs> ผิดนี่เราก็แย้งแ <c oughs> ย้งตลอดแล้วหลังพอควบคุมได้มันก็ยังแย้งอในใจนะอยู่ข้างใน <c oughs> ถึงแค่จาได้ออกมาก็ยังแย่งอยู่ในใจแต่ถ้ามันแย่งมันต้องแย่งแบบมีเหตุมีผลมันจะได้สนุก็มีข้อสรุปได้ถ้ายั่งแบบทีิฏฐิมันก็แบบว่าเอาใช้เอาชนะกันก็เลยไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดกัน <c oughs> เพราะวิชาความรู้ทางเลือดบงทีมันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงมันอยู่เขาเรียกว่ายังเป็นไพโพติชิสอยู่เป็นเซเรียสอยู่ <c oughs> ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ไม่เหมือนวิชาทางธรรมนี่ได้รับการพิสูจน์อย่าง จากพระพุทเจ้าแล้วไม่ต้องไปแยงทำนะของพระุทธเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะแยง้งมีสิทธิ์ที่จะรับลูกเดียวเท่านั้นแต่ความรู้ทางโลกนี้มันยังเียงกันได้ตอนนี้ว่าเป็นอย่างนี้อีกสิ่อีกสิ่ปีข้างหน้ามีคนมามีทฤษฎีใหม่เมือนสมัยก่อนเพราะว่าโลกนี้มันแบง่งก็มีคนมาย้งทฤษฎีนี้ได้วแต่ว่ามันไม่แบนงมันกลม อ, อีกพวกหนึ่งก็บอกว่าโลกนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกอย่างหมุนรอบโลก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 ต้องรอเวลาเป็นเชื่องพิสูจน์ก็ทุกวันยังก็เถียงกันอยู่ทฤษฎีอะไรอะไรเศรษฐกิจพอเพียงหรบทฤษฎีทฤษฎีแบบใช้มันที่หายวายวอดมันกันขนจะดีกว่ากันก็ยังไม่มีเวลาพิสูจน์พวกในวัดต้องใช้ใช้เท่าไหร่มันจะได้ผลผลออกมากันจะได้มีงานทํา แต่ใช้กันอีกแต่ครูบอกวยิ่งใช้มันก็ยิ่งยิ่งยิ่งผิวยิ่งตรงยิ่งอยากใช้อย่างมันก็ยิ่งไปทําลายทําลายไอ้พวกทรัพยากรต่างๆให้หมดไปหมดไปต่อไปยิ่งจะลําบากเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่กับธรรมชาติมราใช้ใบตองแล้วไม่มีถุงพลาสติกแล้วไม่มีปัญหาเหมือนเราทุกวันนี้เหมือนกันเราใช้เชื่อกกล้วย ขวดที่เราใช้แนละ้วเราก็เอามาใช้ใหม่เอามาบรรจุน้ำปลาเอามาใส่นะ้ำเมื่อวานนี้เรากินเที่กินขว้างเนี่ยขวดพลาสติกเนี่ยร <laughs> าคาแพงกว่า น, น้ำที่เรากินแต่ว่าเรากินเสร็จแล้วไปขายนี่มันขายได้แค่สิบสตางแต่เวลาไปจ้างเขาผลิตเพื่มมาใส่น้ำนี่มันมันรู้กี่ร้อยเท้าของราคาเนี่ยเขางเถือธุรกิจฯฯฯแบบ แต่ให้มีการใช้จ่ายมาบริโภคนิยมมันต้องทำมานิยมก็คือเนี่ยนักน้อยสันโดกเท่าที่จำเป็น <c oughs> พวกเราเนี่ย <c oughs> ความเจริญของเราภ <c oughs> ายในห้าสิบ้ีเราทำลายทรัพยากร <c oughs> มากกว่าคนที่ในอนดีตเขาอยู่กันมาเป็น <c oughs> พนันพันจี ในุ่กวันนี้เริ่มวิจัยกันแล้วว่าโลกเราจะจ ะ, จะจะรับชีวิตของมนุษย์ต่อไปได้สักกี่ปีเพราะว่าโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วผลกระทบที่ยวา ม, มาระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอากาศเปลี่ยนไปบางแห่งก็จะแล้งจนแบบว่าหาปลูกอาหารไม่ได้บางแห่งก็น้ำท่วม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 ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่กับธรรมชาติไม้คนที่เขาอยู่กับไอ้มรครคผงนิยมนีม้ให้เขาฆ่ากันให้ตายกันไปหมดเมื่อหมดแล้วคนที่อยู่ในป่านในเขาก็จะได้ออกมาสร้างสังคมใหม่มาใช้คฤษฎีธรรมานิยมเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> แต่ของนี้มันสอนไม่ได้นะเพราะกิเลสมันมีอำนาจมาก คนทุกคนนี่อยากจะมีมากทันเท่นั้นมากมากเท่านั้นโลภมากเท่านั้นอนี่ยมีผู้นําประเทศของเรามีกี่คนที่บอกว่าเศรษฐกิจพอ้อมนพื่อนที่ยังาั่งอยู่จะใครคนมาก็จะพูดถึงเรื่องอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องเรื่องเดียวไม่ได้พูดเรื่องนี้เรื่องเดียว ยังข้อสรุปก็คือใครเขยังไงก็เรื่องของเขาเราทานพราะพระเจ้าของเราแล้วปลอดภัยเราอยู่ได้เราเหงื่อได้อยู่แบบมากน้อยกันโวดอยู่แบบพระเนี่ยกินข้าววันละมื้บ้านก็พอมมีหนังคาหลบแดดหลบฝนได้อย่างนี้นก็อยู่ได้ถ้ารับรองเราจะไม่ทุกข์เราจะมีเงินเหนือใช้ เราใช้ไม่มากเนี่ยมันก็เหลือใช้ที่มันไม่พอใช้ก็มันใช้มากกว่าหาไม่ได้ถ้าใช้น้อยกว่าหาไม่ได้มันก็มีเหลืออยู่ก็เหมือนกับทางบประมาณเนี่ยรายจ่ายรายนับใช่ไหมจะทําสมดุลก็ได้จะทําเกินดุลก็ได้จะทําขาดดุลก็ได้แต่ส่วนใหญ่ชอบเกินดุลที่นุดพระตัดไม่ได้ลดไม่ได้ตัดเงินเดือนไม่ได้ตัดรายจ่ายรายจ่ายไม่ได้ แต่หาร า, ายได้ไหาร า, ายได้ไม่พอมนุษย์สร้างปัญหาให้กับตัวเองทั้งนั้นเนี่ยเพราะความโลภมากเ้ยน่เจะจากพวกผู้นำประเทศนี้เข้าวัดถือศีลแปดกันมาเป็ น, น, นรัฐมนตรีต้องถือศีลแปดต้องอยู่สาวัตถิ์ต้องอยู่เข้าวัดรับนองได้เดี๋ยวประเทศก็จะดี วิธีการหลังหางาายนางเดียวจะททำยังอ่าพยายานทานอีกถวายของก่อนนะไปเดี๋ย มีปัญหาน่ะท่านอาจารย์เขาบอกว่าเาไปไม่ได้ถือสุงแบบเลยแต่ไปพุทธคยาและไปที่ฐานเงนใบโพเขียนไว้ว่าขอได้เป็นรองนายยกว่าทำไมได้คือขอโันนี้ขอไม่ขอถ้ามันจะได้มันก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่ขอหรือไม่ขอ เรื่องการขอได้เนี่ก็ขอกันทุกคนเลยในนี้ขอกันทุกคนเลยใช่ไหมถ้าจะได้อะไรก็ขอได้กันหมดมันก็สบายเลยมันไม่จะเป็นอย่างนั้นหรอกมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันพอดีมันเป็นเป็นความบังเอิญขอแล้วมันมันมีเหตุที่ทำให้มันได้มันก็ได้ไม่ขอก็ได้ถ้ามันมีเหตุที่จะทำให้มันได้มันก็ได้ มันไม่ได้อยู่ที่การขอขอได้ก็ดีมแ้ต่แม้แต่ขอสิ่งที่ถูกที่ควรขอให้ดวงตาเห็นทำด้ยไม่ทำก็ไม่ได้อะไรเลยพระเจ้าก็ไม่ต้องอดอาหารสี่สเก้าวันไม่ต้องออกจากวังนั่งขอนี่ในวังขอให้แาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไขอไม่ได้หรอกคำว่าเหตุผลไม่เข้าใจเลยะ มันต้องมีเหตุผลมันถึงจะตามมะแต่การขอนี่ไม่ได้เป็นเหตุอะไรทั้งสิ้นมันงลงๆนั่งแล้วขอให้มีความอโปร่งั้าน ไม่ได้ละไม่ต้องอดทนหนักกันมึได้ขอแล้วก็ไม่ค น, ข อ, นขอได้ขอได้วันนี้ก็บรรลุได้แล้ววันนี้ก็มีความอดทนหือกกันแล้วนี่ขอมาต้องนานมันก็ยังอดทนไม่ได้เหรอ พอได้พวกเราก็สบายกันไปหมดแล้วต้องร้างใจทำดีต้องทำการกระทำเท่านั้นแหละเรียกว่ากรรมกรรมนี่เป็นตัวที่จะทำให้สิ่งต่างๆคือผลปรากฏขึ้นมาแต่การทำความดีมันก็ต้องอาศัยขันติอาศัยความความภาคเพียรเพราะโดยธรรมชาติใจของเรามันไม่ชอบทำความดีกัน มันถึงทำความดียากทำความช่วยยากเพราะในใจเรามันมีกระแสที่จะดึงให้เราไปทำความช่วยอยู่แล้วการทาความช่วจนเป็นเหมือนกับว่ายตามนะ้ำว่ายตามนะ้ำส่วนการทำความดีเหมือนกับว่ายทนน้ำอันไหนมีการยากจะง่ายกว่ากันใช่ไหมการว่าวยทนน้ำ ม, มันก็ต้องยากกว่าสองเท่าก็ต้องมีความอดทนมากกว่า การไหว้าตามน้ำไม่ต้องมีความอดทนเลยไม่ต้องไหวยเลยเพียงแต่ทําให้ตัวมันลอยใช่ไหมมันก็มันก็กระแสน้ำก็พาไปนล้วเนื้อใจของเรามปนปัญหาอยู่ตรงเนี้ยกระแสของเรามันทวนมันทวนกระแสของของพระนิพพานของของสวรรค์มันจึงยากกันคือบาจารย์ท่านในหลวต้องทวนกระแสเราต้องวเราต้องไหว้ทวนกระแส ว่ายทวนกระแสก็อย่างวันนี้มามาที่นี่ว่ายทวนกระแสถ้าว่ายตามกระแสก็ไปนู่นไหนกัสนุกไปไหนกันหนีหมนั่นเอาจริงมเวลาจะทำอะไรตามกิเลสนี่มันง่าย ไม่ต้องให้คนชวนดีไม่ดีไปชวนเขาให้มากกว่าในเวลา ม, ามามาวัดมามาหาธรรมะนี่ต้องให้คนชวนชวนต้องชวนอยู่บ่อยๆบางที่ต้องลากมาถึงจะมาได้เนี่ยการมีจารยา น, นุสิตมันก็ดีตรงนี้บางทีเราไหว้ไปเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยเพื่อนที่ดีพยายามชุดลากกอบมาให้ลาเนี่ยจัดจัดวันมากันเนี่ย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 แต่ถ้าเรามีเรือเครื่องแล้วต่อไปเราไม่ต้องถ้าเรามีเครื่องติดอยู่ในเรือแล้วเราไม่รอใครแล้วเราจะไปของเราตอนเลว่าดังเราจะแยกงองแลัวไปของเราเองได้แล้ไม่ต้องอาศัยคนอื่นรู้ทางนะมีขันติมีวิริย ะ, ะมีฉันทะวิริยะสิตาพิมังสารนี่แหละคือเครื่องเครื่องที่จะผลักจิตใจให้ไปทางมรรคผลที่พานก็คือ สัญธาวิริยะสุดจัดที่บางสารถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วสบายเยัแต่ว่าจะถึงเมื่อไหร่ทั้งนี้เจะช้าหรือจะเร็วแต่มันไปแน่ๆถึงแน่ๆถ้าขยันมากถ้าแรงมากก็เจ็ดวันถ้าแรงน้อยเหมือนก็เจ็ดปีแต่ถึงแน่ๆท่านดีสัญธาร์ท่านดีเครื่องแล้อว่าท่านดีคน แต่ถ้าไม่มีเครื่องนี้ก็มันก็ต้องรอให้เขามาฉุดแต่เขาก็ฉุดไม่ไหวเพราะมันมันยากก็ฉุดได้เพียงแต่พอให้มันวิ่นได้เช่ไหมพอพอหยุดฉุดมันก็มันก็ไหลไปได้หน่อยถ้าเดียนมันก็หยุดเพราะกระแสน้ำมัมันหลายแรงกว่าฉะนนก็เบื้องตอนเขาอาศัยคนอื่นเขาช่วยลากออกไปแต่อย่าคิดว่าเขาจะลางออกไปได้เสมอ เขาเพียงแต่ล่ากเพื่อให้เราได้มีกําลังที่จะไปของเราเองเช่นมาความเทศความธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับการมามาติดเครื่องเอาเรือเข้าอู่ไปซื้อเครื่องมามาติดเสียเสียซื้อน้ํามันมาแล้วก็ติดเครื่องแล้วก็จะได้ไปได้ฟังเทศความธรรมนี่ก็ต้องเอาไปปฏิบัติวันนี้ที่สอนว่า การรู้จักประมาณในอาหารอย่าให้มันเป็นคำพูดที่ว่างๆเข้าหูซ้ายออกหูขวาขอให้นำอาเป็นปฏิบัติก<ม> า, ารสำรวงอินทรีย์าวินจำลอินกาเป็ดห้าทวารเพื่อเหลือทวารเดียวมีสติดูอยู่ที่ใจอย่างเดียวทำแล้วมันก็จะมันก็จะได้ผลอย่างรวดเดียว ถ้าไม่ทํามันก็กลัมาคราหน้าก็เหมือนเดิมทำแทนจะไม่ได้ทําไปแล้วมันก็ง่ายเองอย่าให้ความรู้สึกว่ามันยากนี่มันเป็ น, ป น, ปนอุปสรรคเดี๋ยวเราคิดว่ามันง่ายพระพุทธเจ้าทําได้แล้วก็ทำได้ครูบาอาจารย์ท่านทําได้เราก็ทําได้เพราะก่อนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเหมือนเรา นั่นก็มีอุปสรรคแบบเดียวกันกับเรามีความรู้สึกยากเหมือนกันทุกคนแต่ไม่ให้ความรู้สึกนั้นมาเป็นอุปสรรคกำหนดกดเกณฑ์ไ่้เลยจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องรับประทานอาหารมาละกี่เมือ่อกี่ครั้งก็ให้มันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไปทำไป <c oughs> จะต้องนั่งภาวนาเวลาไหน จะเดินงกรรมจงกร ม, รกร ม, รกรมเวลาไหนมากน้อยเท่าไรก็ต้องกาหนดและทํามันอยากไปปล่อยให้มันรอยมาเองเราว่าเอมันไม่มารเราต้องกําหนดหมันมันถึงมา ต, ต่อไปนี้ทุกเช้าอย่างนี้จะต้องนั่งสมาธิก่อนนอนไหว้พระเสริมหนุนนั่งสมาธิจเจริญปัญญาก่อนนอนตื่ น, นอนก็ให้ทาเช่นเดียวกันอย่างต่ํา วันหยุดวันว่างก็ไม่ไปเที่ยวไหนกาไม่จะเป็นก็ไม่ออกไปข้างนอกอยู่บ้านเดินเป็นกลมนั่งสมาธิทังเทศทางธรรมไปทั้งวันถลับคนยมันต้องมันต้องมันต้องมีมีตารางอ่ะกำหนดการใช่ไหมเพราะเวลาจัดงานจัดการก็มีเวลา เวลานี้ประธานจุดเทียน <c oughs> นี่ไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยว่าอยู่วัดทำมีตารางเรัี่สี่ตื่นขึ้นมาเดินจงกลมนั่งสมาธิเวลานั้นออกไปบินตบาทหรือถ้าเป็นธนรรวาส ก, ก็ ท, ทํทำธุรกิจ ครับทุกคนตัวท่านเตรียมบข้าวกับปลาอาหารถวายพระมันมีมันมีตารางมันมีกำหนด ก, การในการเราอยู่วัดมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้นแต่พออยู่บ้านก็ไม่มีเลยมีก็เป็นเรื่องอื่นไปเลย <c oughs> เวลานี้เปิดดูเรื่องนั้น <c oughs> <c oughs> นีวิตของเราก็มีอยู่แค่นี้ดังที่พระเจา้าตรัสว่าให้ให้ตั้งอยู่ในความไม่สนหวังด้วยการทํากิจส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมหลังฐานอนิจจาวัฏตาสังขาราสังขารยืนติงที่ไม่เที่ยงยงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ตสมหนังเถิดนี่เป็นพระปัะ ช, ชิ ม, มโอวาทา คำพูดคำพิษผ้าพวเราต้องหนักแน่นเอาเอาไปคิดแล้วก็ไปทํานั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรสมจะพูดด้วยความจริงใจเราก็ต้องพยายามทำตามให้ได้อพออย่างนี้